ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องธรรมะแห่งความผาสุกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ห้ามกราคม 2,546 นณะพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ ยมสื่อศีลพูดถึงสูตรสูตรหนึ่งบอกว่าสูตรเนี้พูดถึงความผาสุกมีทั้งหมดอยู่ห้าข้อใช่ไหมข้อที่หนึ่ ง, งให้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วยังไงไม่เอาศีลไปตดเตียนผู้อื่นใช่ไห ม, มไม่ไปข่มคนอื่นเขาเอา่า แล้วยังไงอ่ะจะทําให้ผาสุขได้ยังไงนะอ๋ออ้าวก็ถามว่าจะทํายังไงให้ผาสุขแล้วก็พระพุทธเจ้าหรือเปล่าอันเนี้ยท่านตรัสไว้ห้าข้อนะ <sa at> ว, ว่าข้อที่หนึ่งเมื่อเรามีศีลหรือเข้าถึงพร้อมด้วยศีลแล้วเนี่ยไม่เอาศีลเนี่ยที่เอาไปติเตียงคนอื่นแล้วจะอยู่ผาสุข ก็ถูกต้องแล้วเพราะถ้าตราบใดเนี่ยใครมีศีลหรือใครมีตะบาธรรมหรือมีคุณงานความดีอะไรก็แล้วแต่ต่อให้มีจริงนะเมื่อมีจริงแล้วเนี่ยเราก็เอาไปคมหรือเอาไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อง่ายนะ เ, นเครื่องมือที่จะไปํำหนิไปว่าคนอื่นเขา ไปติตเตียนคนอื่นเขาในแง่ที่จิตเราเนี่ยยกตนข่มท่านเช่ไหมหรือในแง่ที่ดูหมิ่นคนอื่นเขาอันนี้มันก็ไม่ดีอยู่แล้วอะแน่นอนแล้วจิตอย่างนี้นจะไปมีความสุขได้ไงมันไม่ทําให้อยู่พลาสุกหรอกแล้วก็สร้างศัตรูด้วยแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราก็ตามแต่ถ้าเราเอาดีเนี่ย ไปเล่นงานคนอื่นเอาอย่างเช่นเราเลิกเอาใบายามุกได้อ่าเราเลิกเล่าบุหรีได้เราเลิกการพนันได้แต่เราก็เอาสิ่งเนี้ยไปตําหนิไปว่าเขาซึ่งก็ถูกต้องนะตีก็ถูกต้องว่ากล่าวก็ถูกต้องแต่เขาไม่ชอบเขาเกลียดชังใช่ไหมอ่ ซึ่งถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยมันก็มีอันตรายสำหับผู้พูดได้อาการที่เราจะแนะนําบอกกล่าวหรือว่าสอนคนอื่นเนี่ยได้แต่ไม่ใช่การที่ไปข่มเขาไงเพราข่มเ้าเนี่ยไม่มีใครชอบแหละแม้แต่สักคนเดียวก็ไม่มีใครชอบไม่ต้องอื่นใกลนะไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นเลยเอาเอาพวกเราเนี่ยนักปฏิบัติธรรมในที่เนี้ย ซึ่งบางคนถือศีลได้ดีหรือปฏิบัติตัวได้ดีแล้วบางครั้งเราไม่เจตนาด้วยซ้ําไม่ได้เจตนาเลยนะว่าว่าจะไปข่มไปอะไรแต่บางทีเราอาจจะพลาดตรงที่เราพูดอะไรออกไปแล้วคือเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรมา ก, ก น, นะแต่พูดออกไปแล้วมันมเป็นลักษณะที่หมิ่นคนอื่นเขาอะกลายเป็นกดเขาว่าเขาต่ํากว่าเรา ก็ได้กับเราแต่เราไม่ได้เจตนาหรอกนะแต่ว่าไอ้สำนวนภาษาคำพูดเนี่ยมันมันคนฟังแล้วมันคิดอย่างนั้นได้แม้อย่างเงี้ยคนนั้นก็อาจจะถือสาไม่ชอบใจเราก็ได้ละเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเราเนี้ยไม่มีใครเขาชอบมันถึงมีอยู่อีกอันหนึ่งที่บอกว่าเราถือศีลเราปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่การเทศเนี่ยการเทศการสอนอื่น มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าไปพูดกระทบเขาพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าไปพูดกระทบเขาคําว่ากระทบนี่ก็คือเนี่ยแหละไปพูดแล้วมันทําให้เขาคิดในทางลบในทางร้ายในทางไม่ดีเหมือนกับเราไปแกล้งเขาเหมือนกับเราไปข่มเขาไปว่าเขาหรือเหมือนกับไม่ชอบใจอะไรเขาอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ เขาไม่ใช่เป็นคนไม่มีกิเลสเขาเป็นคนมีกิเลสเพราะฉะนั้นพอเราไปพูดอย่างนี้เข้าซึ่งเราอาจจะไม่ทันคิดไม่ทันระวังวาจาของเราแต่พูดไปแล้วคนอื่นเขารู้สึกเมื่อเขารู้สึกเนี่ยต่อให้คุณเทศดียังไงคุณเทศถูกต้องยังไงก็ตามหมายถึงไม่ได้ปิดผ้าอะไรนะเทศเนี่ยถูกต้องแต่เขารู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจเขาก็จัดการเราได้ เขาก็เล่นงานเอาก็ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ไม่ผาสุกแน่แหละคราวนี้ไม่ได้หมายความว่าคนมีศีลแล้วจะถ้าถือว่าเรามีศีลแล้วใครๆก็รักก็ชอบไปหมดมันไม่ใช่หรอกนะคนที่ไม่ชอบคนที่เกลียดชังก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันถึงต้องมีศัพทิส ธ, ธรรมคือการรู้จักประมาณในคนอื่นประมาณสถานที่ป ร, ประมาณเวลา ประมาณบุคคลกาละอะไรต่างๆเนี่ยมันถึงต้องมีมาด้วยแม้จะมีศีลประพฤดีปฏิบัติชอบก็จริงเราถึงจะได้ยินบ่อยที่พ่อท่านบอกว่าเนี่ยพ่อท่านจะเทศไปแล้วทำให้ทำให้ตายไปในห้าวันก็ได้เทศไปแล้วเนี่ยต้องเป็นไปได้จริงๆเพราะนันมันก็อยู่อยู่ที่ เราจะต้องรู้จักประมาณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่โยมสื่อศีลบอกม า, าแม้ว่าเราจะถึงพร้อมด้วยศีลก็เถอะแต่เราก็ยังจะต้องมีรู้จักการประมาณที่ให้มันพอดีพอเหมาะขนาดเอายกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าเองน่ที่เทศให้กับภิกษุฟังอ่ะภิกษุร้อยแปดสิบลูปอ่ะฟัง เห็นแล้วก็ปากฏว่าหกสิบรูปก็อักเลือดหกสิบรูปลาศิกขาไปเลยและอีกหกสิบรูปบรรลุปเป็นพระอรหันต์แต่อันนั้นก็ระดับพพูมิเจ้าแล้วใช่ไหมท่านก็ประมาณของท่านแล้วอะ่ะแต่ถึงขนาดนั้นนะคิดดูดิก็ยังมีกระอักเลือดไปอะ่ะโหลาศึกไปเลยอย่างเงี้ยสองในสามแต่ส่วนหนึ่งอะ่ะเป็นพระอรหรันต์ แต่ท่านถือว่าท่านคุ้มอ่ะท่านก็เอาถ้าท่านถือว่าคุ้มนั่นระดับพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งพวกเราเนี่ยยิ่งบางทีไม่เก่งใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ระวังบางครั้งเราพูดไปเนี่ยเราอาจจะผิดพลาดโดยเราไม่รู้ตัวก็ได้นะยิ่งบางคนเนี่ยคุยกับคนแล้วก็ไม่มองตาแล้วก็ไม่มองหน้าด้วยเนี่ยตาเขาเขียวแล้วหน้าเขาดำแล้วก็ยัง ไม่รู้เรื่องก็พูดจ่อยจ่อย่อ ย, อยไปเลยนะระวังเธอะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้มันมันแม้เราจะมีศีลก็ตามก็จะต้องระวังอันนี้ให้ดีด้วยเพราะวันอันนี้ฝากไว้ได้เลยว่ายังไงก็ตามแม้เราจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรก็ตามก็จะต้องระวังวาจาในการพูดด้วยเพราะนั้นระวังยังไงระวังโดยพูดไปแล้ว สอนน้อมถ่อมตนไว้อะปลอดภัยปลอดภัยที่สุดถ้าเราไม่แน่จริงนะอย่าไปพูดในลักษณะที่ขมคนอื่นเขาไปติติงอะไรเขามากเกินไปนะักอันเนี้ต้องระวังจะสอนคนเนี่ยนะมันมันก็มีหลายวิธีการสอนโดยลักษณะคมเข้าไปเลยเนี่ยจะใช้ต่อเมื่อเขาศรัทธาแล้วเขายอมเราแล้ว เราถึงจะใช้ลักษณะข่มลงไปได้คือว่ากล่าวติเตียนดุอะไรไปเลยได้แต่ถ้าเขายังไม่ยึศทาเราหรือเขาเสมอกับเราอย่างเงี้ยศักด์ศีพอๆกันอ่ารันท่าอย่างนี้เนี่ยเราไปใช้ลักษณะข่มไม่ได้เลยยิ่งคนศักดิ์ศรีพอๆกันเนี่ยคุณเอ้ยกิเลสตัวอัตตามาณะที่ว่าอ่าสูสีอะพอฟัดพอเวียงอ่ะเพราะนั้นกิเลสตัวไม่ยอมกันนี่จะมีสูงมาก ยิ่งถ้าศักดิ์ศรีหรือฐานะเท่าเทียมกันอยู่ยิ่งต้องระวังมากๆยิ่งต้องพูดให้ความเกรงใจให้เกียรติเขาจะติจะว่าติดได้แต่ติแบบให้เกียรติคนได้ไห อ, อพูดแบบชนิดที่เรียกว่าสุภาพหรือว่าพูดแบบติดเตียนแบบประกอบไปด้วยเมตตาที่ให้เขารับได้อะได้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเขาก็จะรับได้แล้วเขาก็จะไม่มีปัญหา ยิ่งคราวนี้ถ้าเราจะไปว่ากล่าวติเตียนคนที่สูงกว่าเราคุณคิดดูสิคุณจะไปติไปดุไปว่าธรรมดาได้ยังไงยิ่งไม่มีทางเลยคราวนี้คือยิ่งต้องใช้ฝีมือหนักเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมอีกบางทีแนมะ่ต้องเล่าที่ฐานประกอบต้องยกเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาสมมุติสมมุดแหมสมมุติอย่างนั้นส ม, มุติอย่างนี้ เอาคุณดูในชาดกตั้งหลายเรื่องที่อาตมาเอามาอ่านมาเล่าให้พวกเราฟังอะ่ะที่บางทีอะไรเสนาบดีมั่งข้าราชบริพารจะสอนกษัตริย์เนี่ยจะมาบางทีเห็นไอ้เจ้าตัวอะไรอะ่ะในนั้นมันใช้ชื่อว่าอะไรนะมัดจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ อาตมาเรียกเองอเรียกเจ้าตัวขี้เกียจชื่อคคชะอะไรเนี่ยโคชะจำชื่อในชาดกไม่ได้เป็นเป็นเหมือนกับดวงช้างอะไรอย่างนองเนี่ยนะถึงชื่อโคชะเนี่ยปรากฏว่ามันจะเดินต้มเตี้ยมอยู่ที่พื้นดินเนี่ยแล้วก็จะเดินช้ามากเลยนะเสร็จแล้วพระราชาองค์เนี่ยเป็นคนที่ ไม่ค่อยขยันไยไม่ค่อยว่าราชการไม่ค่อยที่จะทําภารกิจอะไรต่างชอบที่จะเที่ยวเตะชอบที่จะไปอะไรต่ออะไรโดยที่ไม่ค่อยที่จะทํางานพูดง่ายเสร็จบังเอิญไปประพาสป่าอยู่คราวหนึ่งแล้วไปเจอตัวเนี้ยเห็นอามาตย์เนี้ยเห็นเข้าก็เลยพอดีพระราชาก็เห็นก็เลยถามว่าเอ๊ะตัวอะไระ อา ม, มาดนี่ก็เลยบอกอ๋อตัวเนี้ยชื่อว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันเนี่ยไปไหนมันไปได้ช้ามากนะมันจะขี้เกียจขี้คา้านนะจริงๆแล้วพูดเนี่ยเริ่มพูดสอนพระราชาละแต่ว่าอาศัยสัตว์ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นสื่อไงแล้วก็คราวนี้ก็เลยพูดไปเรื่อยนะว่าเนี่ยถ้าเกิดไฟไหม้หรือเกิดสตรูมาเนี่ยรู้สึกวันหนึ่งเนี่ยมันจะ มันจะเข้าแค่ก้าวขาไปได้ทีละก้าวใชนะวันหนึ่งเนี่ยก้าวไปได้แค่ไม่กี่ก้าวเองเป็นสัตว์ที่โอ้ขี้เกียมกจมากอืดอาดมากเครี้ออยงช้านะถ้าไฟไหมเนี่ยพระราชากระถามบอกเนี่ยถ้าไฟไหมปา่าไอ้นี่มันจะไปยังไงได้นี้ใช่ไหมก็บอกว่าไปไหนไม่ได้หรอกถ้ามีไอ้ดินแตกตรงไหนมันต้องบุดินตรงนั้นนะ่ะถ้าถ้าบุดินไม่ได้ก็ต้องหาโพรงไม้ เข้าไปแอบไปซุกซ่อนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปไม่ทันนั้นก็บอกพระราชาแล้วก็สอนเนี่ยสอนไปนเรื่อยอันะนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยอำมาตย์คนนี้ก็เนี่ยใช้วิธีการพวกนี้แล้วเรื่องอื่นๆมีอีกเยอะมากเลยที่ถ้าเราเนี่ยจะพูดกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือบางทีอายุอาจจะน้อยกว่าแต่เขามียศฐานะที่สูงกว่าเราก็ยังจะต้อง ใช้คำพูดใช้การสอนที่แนบเนียนหรือว่านุ่มนวลกว่ากว่าปกติที่เราจะใช้กับคนที่เสมอกับเราหรือคนที่ต่ากว่าเราแม้ว่าเราเนี่ยจริงๆเราจะมีความรู้ความสามารถหรือมีศีลสูงกว่าก็ตามอย่างยกตัวอย่างนะอย่างสมมติอ้าวอาจมาเองอย่างเนี้ย เอาต่อให้มีศีลบวชเป็นสมณะได้แล้วแต่บางทีจะคุยกับโยมโยมฆราวาสเนี่ยแต่อายุมากกว่าบางทีอยู่วัดมานานกว่าเวลาจะคุยด้วยเราก็ต้องระวังอ่ะเราจะไปถือว่าอ้าวนี่ฉันศีลพระแล้วนะนี่โยมแค่เป็นฆราวาสอายุจะมากกว่าจะอยู่วัดมานานกว่ายังไงไม่สำคัญอนะ่ะต้องเคารพผู้ที่มีศีลสูงกว่า เราก็พูดแบบชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับผู้ใหญ่พูดกับเด็กอย่างเงี้ยอ้าวเขรารวายังมีกิเลส น, นะ อ, อ่บางทีคนแก่ไม่ยอมก็ได้อะ อ, อ่หรือว่าบางทีก็ไม่เขอรบศรัทธาเราเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอนะ่ะมันมันจะต้องระวังเรื่องพวกนี้เพราะเนี่ยถึงแม้จะศีลจะถึงพร้อมด้วยศีลหรือจะปฏิบัติศีลได้ดียังไงก็ตามเราก็จะต้องระวัง ในเรื่องพวกนี้ถ้าไม่ระวังแล้วผู้ที่มีศีลบุคคล น, นั้นเน่ก็สามารถที่จะได้รับอุปสรรคปัญหาหรือความทุกข์ยากลำบากตามมาก็ไดไ้ข้อที่สองอะไรอ๋อเพ้งดูตัวเองไม่เพ่งโทษคนอื่นโอ๊ยอันนี้แงอยู่แล้วยิ่งอันนี้ชัดเจนเลย คนเราที่ไม่ค่อยมีความสุขเนี่ยนะอันนี้อาตมาพูดบ่อยมากเลยนะคือคนที่ชอบไปมองความบกพร่องคนอื่นชอบไปมองความผิดพลาดคนอื่นชอบไปมองข้อเสียของคนอื่นและไอที่มองเนี่ยมองแล้วเฉยๆมองแล้วไม่คิดอะไรมีไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่มองแล้วมันก็อดคิดไม่ได้นะและไอที่มันมีปัญหาอยู่ก็เพราะมันคิดนั่นแหละ วันนี้ยังฝากเลยดีวันนี้มีโยมน้องชายมามาที่นี่ก็เลยฝากให้เขาข้อหนึ่งบอกว่าเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะปีใหม่แล้วให้ให้พรให้พรปีใหม่นะบอกว่าจะคิดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยให้ให้มีสติหรือว่าให้มีกรรมฐานเตือนตัวเองขึ้นมาเลยนะ บอกว่าถ้าเราคิดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยกับใครก็ตามนัานก็บอกว่าใจเราเนี่ยเจ็บเองคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเพราะว่าเราคิดของเราเองใช่ไหมอ่าบอกเขาเตือนเขาบอกว่าจํามันนี้ไว้นะเพราะตอนนี้อใจจิตใจเขาไม่ค่อยดีก็บอกบางทีมันอดไม่ได้เห็นไอ้นนท์เห็นไอ้นี่ทํางานแล้วก็แหม่มันอดไม่ได้ ที่จะอยากจะติอยากจะว่าอยากจะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะเราเราก็มองแต่ไอจุดบกพร่องเสร็จแล้วเราก็คิดแต่ไอเรื่องที่มันเสียๆพวกเนี้ยวันทั้งวันเอาแต่มองจุดบกพร่องวันทั้งวันเอาแต่คิดเรื่องเสียๆแล้วใจมันจะดีได้ไง <c oughs> ใจมันไม่ดีหรอกแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้เหมือนความว่าคราวนี้มองอะไรก็เลยกลับตลบปัดเลยมองแต่ดีๆมุมเดียวนะ อะไรเสียยก็ช่างหัวมันไม่ใช่หรอกคุณเชื่อไหมตะมาเคยท้าหลายคนมาแล้วมันติดนะกิเลสคนเราเนี่ยมองดีของคนอื่นเลยนะน้อยกิเลสคนเราส่วนใหญ่มองเสียควางคนอื่นมากกว่าอันนี้เป็นอนุภาพหนึ่งหรือเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งของกิเลสที่มันมีสิงอยู่ในใจคน ถ้าคุณไม่เตือนตัวเองคุณไม่ระวังนะหมดมันปุงไปเรื่อยเลยแล้วมันก็คิดไปเรื่อยในแะง่ลบเนี่ยเพราะอะไรเพราะกิเลสของคนเราโดยปกติมันไม่อยากให้ใครเหนือกว่าเราแล้วมองคนอื่นเนี่ยนะเราจะรู้สึกแหมสูงส่งกว่าหรือว่าเรารู้สึกสบายกว่าก็เพราะว่าคนอื่นมันแย่กว่าเราคุณจะรู้สึกสบายกว่าใช่ไหม แต่ถ้าคุณมองคนอื่นแล้วนะโอ้โหทั้งเก่งกับเราทั้งดีกับเราบางทีคุณก็เหียวรู้สึกแหมเราไม่มีท่าเลยไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรเพราะโดยกิเลสของเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกพวกเนี้อยู่เพราะมันเลยชอบที่จะมองแง่ลบของคนอื่นมากกว่าที่จะมองแง่บวกเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดมีเมตตาคุณมีเมตตานะคุณพยายามสร้างนะคุณมีกรุณาแล้วนะ พู้เจ้าถึงให้ตามด้วยบุทิตาบุทิตาเนี่ยคือเห็นคนอื่นได้ดีเออแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยมันยากนะคุณขั้นเนี้ยคุณจะต้องมีเมตตามีมกรุณาคนอื่นนะคุณถึงจะมาทําบุทิตานี้ได้เพราะถ้าปกติเนี่ยจิตคุณบอกแล้วมันมีแง่ลบซะส่วนใหญ่อะ่ะมันไม่ค่อยจะยอมคิดแง่บวกเพราะถ้าคุณปล่อยไปตามปกติเนี่ย อย่าว่าแต่เมตตาการุณายังขึ้นยากเลยจะไปพูดถึงมุทิตามันยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นคนที่จะทำมุทิตาให้ได้เนี่ยต้องหัดเมตตาให้ได้ก่อนเมตตานี่คือความคิดคุณต้องทำให้สาเร็จให้ได้คราวไหนเนี่ยที่เรารู้สึกเอาละเริ่มคิดไม่ดีกันลวบางทีเนี่ยก็เคยยกตัวอย่างบ่อยลวพอเดินมาหน่อยอย่างเงี้ยบางที เห็นอะไรสกปรกโกเลอะหน่อยนะใครมาทิ้งกระดาษแถวนี้ดูที่โต๊ะเก้าอี้ดูไม่เป็นระเบียบแล้วใครเนี่ยนั่งแล้วก็ไม่เลี้ยงให้มันดีไม่เอาเก็บเข้าที่ที่เรียบร้อยคิดไปเรื่อยแล้วนะเนี่ยระหว่างทางเนี่ยคุณเดินไปไหนเนี่ยมันคิดไปได้มมดแหละแล้วพอจิตคุณไปพูดง่ายมันเหมือนกับไปฝึกไว้แม้คุณไม่จะเจตนาจะฝึกแต่คุณไปทํำบ่อยๆมันก็ชํานารมันก็เหมือนฝึกก็กลายเป็นว่า เห็นไน้ดูนะกระปุงไปอีกแล้วปุงในทางลบเห็นไน้นี่กระปุงในทางลบอยู่แล้วคุณเห็นอะไรเนี่ยแง่ลบมันขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอยู่เรื่อยเลยนี่คือความชํานาญที่เราไปสั่งสมจนคุ้นเคยจนเคยชินมันไปสังเกตดูสิแง่ลบจะขึ้นมาก่อนทั้งๆที่บางทีเนี่ย네นะเป็นเรื่องน่ายินดีด้วยซ้ํำไปแต่ไม่วายนะขนาดเป็นเรื่องน่ายินดีนะ เขาถึงมีนิทานเน่ยที่เรื่องลูกอีช่างตีอะ่ะอันนี้อาตมาตั้งเองฮะไม่รู้ชื่อเขาชื่ออะไรอะนะแต่อาตมาตั้งชื่อว่าลูกอีช่างตีที่เห็นอะไรตีไปหมดอะ่ะจําได้ไหมแต่ก่อนนี้เรามาเปิดกันเรื่อยอะ่ะเห็นอะไรติได้หมดทุกเรื่องเลยเห็นเป็ดว่ายน้ําอยู่อะ่ะก็ติเป็ดนะเห็นไอ้มะพร้าว ลูกมะพร้าวกติลูกมะพร้าวองเห็นอะไรติได้หมดมาก็จําเนื้อหาไม่ได้ทั้งหมดแล้วนะอย่างเช่นพอเห็นลูกฟักทองก็บอกดูสิลูกใหญ่เบ้อเลอเธอไอ้ขั้วมันนิดเดียวอ่าติอะไรนะอ่าแล้วก็ไปเห็นอะไรอีกนะที่บอกว่าลูกนิดเดียวแล้วก็กขั้วมันใหญ่เบลอมเทมจนจ้างสุดท้ายมา มาเจอพระพุทธรูปหรือไงเนี่ยนะก็ติพระพุทธรูปอีกอะติพระพุทธรูปเนี่ยโหอะไรก็ดีหมดเลยพระพุทธรู ป, รปนะทั้งสร้างมาได้สวยสร้างมาได้ดีแต่ปรากฏว่ า, ายิ้มไม่ได้พูดไม่ได้เออติติเสียก็ไปวิติมันตลอดเลยคือคือเขา นิทานเรื่องนี้เขาจะให้เห็นต้องไปฟังโอยฟังแล้วจะสนุกกว่า น, นี้อัตามาเนี่ยมันจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะมันนานหลายสิบปีมาแล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยมันจะติดอันนี้มากเมื่อติดอันนี้มันฝังอยู่ในจิตพอฝังอยู่ในจิตเนี่ยนะคนที่ชอบติคนอื่นเนี่ยมันก็จะมองในแง่ลบไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเก่งความชนานาญที่มีเนี่ยแหละมันทาให้คุณยิ่งแวไวไย แววยวแง่ลบเห็นพับมันขึ้นทันทีเลยเห็นพับมันขึ้นทันทีเลยสมัยก่อนเนี่ยอาตมาเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนยังเป็นคารวาสอยู่มันไวจริงจริงเพราะอาจจะติดติดเชื้อสายมาจากโยมพี่ชายก็ได้คือโยมพี่ชายอาตมาเนี่ยเป็นคนละเอียดเป็นคนเจ้าระเบียบทํางานอะไรเนี่ยต้องละเอียดรอบคอบต้องมีขั้นตอน น่าไอ้นั่ น, นจะต้องวางตรงนี้ไอ้นี่จะต้องวางตรงโน้นเสร็จแล้วก็ทําไอ้นี่ก่อนนะทําไอนี่กลางนะ ท, นทําไอ้นี่ทีหลังนะทําเสร็จแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อยนะอ ย, อย่างนั้นอย่างนี้คือจะต้องอย่างเนี้ยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีขั้นตอนมีอะไรหมดทุกอย่างเลยเราก็โดนสอนโดนฝึกมาคร น, นี้พอเราไปเห็นอะไรที่มันไม่เป็นระเบียบเราก็เอา้าวละเราก็เริ่มคิดบงังละเห็นใครทํางานที่โอ้ทําอะไรทํางานหยาบหยาบ ทำไม่ละมัดละวันไม่รอบคอบเอมันไม่ลวมันคิดไปแล้วซึ่งเราไม่ได้คิดผิดนะเราคิดได้ถูกต้องนะ <c oughs> เขาทำไม่ถูกจริงๆอะ่ะคนอื่นก็ทำผิดจริงๆแต่ไอ้ความคิดอย่างนี้ของเราเนี่ยมันทาร้ายเรามันทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มองอะไรคุยอะไรกับใครไปอยู่หน้าจุดไหน มันก็เลยชำนาญคิดแต่มุมลบมุมลบมุมลบมุมล บ, มมลบแล้วจิตที่มันมีแต่มุมลบๆบเนี่ยมันจะผาสุกลงไงอ่ะตอนให้เราคิดได้ไม่ผิดพลาดเลยแต่จิตมันมัวหมองจิตมันไม่แจ่มใสอ่ะมันถึงบอกว่าโม้ไม่ไหวหรอกต่เพราะนั้นการที่เพ่งทอดคนอื่นเขา ไม่ไม่ผาสุขแน่นอนจะไปผาสุบได้ยังไงพราะันจะต้องปรับแก้ปรับแก้โดยการที่พย า, ยามีเมตตาให้มากๆนะถึงบอกพยามมีเมตตาให้มากๆมากๆมากๆนะให้อภัยคนอื่นเขาได้นะบางทีเขาบกพร่องเขาผิดพลาดบางเ อ, อิให้อภัยเขาไปได้บ้างไอ้สวยเราจะบอกสอนก็บอกสอนไปสิแต่จิตเราเนี่ยไม่จาเป็นว่าจะต้องไปขาค้างไม่จาเป็นว่าจะต้องไปคิดแง่ลบ เราเห็นความบกพร่องของคนอื่นเห็นได้แต่จิตไม่เห็นจะต้องคิดแง่ลบเนี่ยแล้วยิ่งคุณชํานาญเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วคุณเหลียวซ้ายแลขวาหน้าหลังยังไงก็เห็นบอกได้เลยเอาจริงๆยิ่งคุณเป็นคนเก่งคนละเอียดละอคนชํานาญมากเท่าไหร่คุณยิ่งเห็นมากเท่านั้นแต่ตอนนี้อยู่ที่ว่าคุณจะคิดไหมอ่ะแล้วคุณจะพูดไหมอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นเอง บางคนคิดแต่อาจจะไม่พูดน ะ, ะบางคนคิดแล้วก็พูดด้วยเพราะนั้นอันนี้อยู่ที่เราแหละถ้าใครฝึกฝนมาแล้วก็ระมัดระวังจิตของตัวเองได้ดีนะไม่ต้องห่วงหรอกว่าเดี๋ยวเราคิดแต่แง่บวกเราไม่คิดแง่ลบเลยอีกหน่อยก็ลืมหมดลืมแง่ลบหมดคุณไม่ต้องห่วงหรอก บอกได้เลยทุกวันเนี่ยที่มันจะแย่แล้วก็จะทุกข์จะกลุ้มทุกวันเนี่ยเพราะคุณสังสมแง่ลบจนมันล้นหัวใจคุณแล้วไอ้ที่ทุกทุกอยู่ทุกวันเนี่ยทุกเพราะแง่บวกยังไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่ทุกเพราะแง่ลบบางทีไม่ใช่เรื่องของเราเองเลยด้วยซ้ำแบบํำไปสังเกตไหมไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะ เรื่องของอื่นเรื่องของอะไรที่ไหนไม่รู้ในโลกเนี้ยบางทีเราแค่ได้ยินได้ฟังหรือว่าแค่ได้เห็นโอ้โหมันคิดจะทุกข์ละบางคนนอนไม่หลับเลยกุ้มปวดหัวบางคนนี่ตุบตุบตุบตุบเลยนะไม่เกรนเล่นงานเลยนั่นคือคือคนที่ไปสั่งสมพวกนี้มากเพราะนั้นไม่มีวันที่จะมีความสุขได้เลยแล้วโดยสัจจะโดยความเป็นจริงเนี่ย ในโลกเราเนี่ยแง่ลบมันมากกว่าแง่บวกจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆคนเลวกับคนดีคุณว่าพวกไหนมากกว่ากันนะคนเลวมากกว่าคนดีเพราะคุณจะมองซ้ายมองขวามองทิศไหนก็ตามคุณก็ต้องเจออะไรเจอเลวมากกว่าดีมันเป็นความเป็นจริงอยู่แล้วอะเสร็จแล้วความจริงมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม อ้าวจริงเราก็ต้องมองตามความเป็นจริงนะก็ใช่แต่ความคิดเราอะถ้าคุณมองตามความจริงอย่างนั้นแล้วคุณปล่อยใจคุณให้ไปตามนั้นนะอาตมาบอกได้เลยว่าคุณทุกตายเลยเนี่ยแค่ไม่ต้องอื่นไกลนะแค่ทุกวันนี้คุณฟังข่าววิทยุคุณอ่านหนังสือพิมพ์นะแล้วคุณปล่อยใจคุณไปตามนั้นนะคุณจะบ้าตายแล้วแค่นั้นอนะใช่ไหม วันที่คุณเสพข่าวสารคุณอะไรทุกวันโอ้โหแง่ลบแง่ลบแง่ล บ, ลบทั้งนั้นเลยที่เข้าไปวันที่บอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอันนี้มันเยอะมันล้นใจคุณอยู่แล้วมันพยายามนะมีเมตตาแล้วก็เข้าใจให้ได้แล้วนะเรารู้มาใช่แต่ไม่จําเป็นจะต้องไปปรุงไปคิดอะไรมากมายกายกองนะักหรอกบางทีเราพบเปเห็นเนี่ยบางเรื่องเรารู้ล้ เอออันนี้พอเตือนได้ก็เตือนไปแต่ไม่ต้องไปปรุงไปคิดไปอารมณ์เสียนไปเสียความรู้สึกบางทีไม่รู้ว่าใครด้วยซ้ำไปนะแต่เราก็นึกไปแล้วใครเนี่ยมาทำอย่างเงี้ยดูสิยิ่งยิ่งบางทีถ้าเราไปรับภาระไปรับผิดชอบในเรื่องนั้นเองด้วยนะอาสมมุติเราเป็นคนดูแลถังขยะเอาปรากฏว่าโอ้โห ตอนเช้ามาถึงดูที่คนทิ้งนอกถังได้หมดเลยไม่ทิ้งลงถังหรือเราอุตส่าห์ไปเลี้ยงแยกแยกขยะเอาไว้นะนี่พลาสติกนี่กระดาษนี่เศษอาหารไปดูทีไรมั่วทุกทีเลยเอาคุณก็เริ่มอารมณ์เสียแล้วคุณเริ่มมารมณ์บุ่ยละใช่ไหมแล้วคุณก็คิดไม่ดีละคิดไปเลยดูซิอย่างงั้นอย่างนี้ ท, ท, ทั้งทั้งที่บอกแล้วว่าความเป็นจริงเนี่ยหาได้น้อยคนใช่ไหมที่จะ แหนเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจทิ้งแยกแยะอย่างดีปัญหาได้น้อยส่วนใหญ่กิเลสมากแล้วก็สีสัวทิ้งไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นเขาหรอกอันเนี้ยส่วนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เรารู้ความเป็นจริงเราก็ต้องมองตามความเป็นจริงว่ามันจะต้องเจอสภาพนี้แน่นอน